ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัสมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเริ่มเรื่องใหม่วันก่อนดิฉันไปโพสต์ถามเอาไว้ในเฟ e บุ๊กส่วนตัวของดิ่เธอเองนะคะคือรัสมี28ินี่แหละว่ามีใครสนใจ จะฟังเรื่องจิตตะนครหรือไม่จิตตะนครซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่พระองค์ท่านได้ทรนิพนธ์ขึ้นนะคะเพื่ออธิบายถึงความสำคัญของจิตหรือใจที่มีต่อความสุขความทุกข์ในชีวิตของเรา ส่งนาเรื่องของจิตใจทั้งในแง่โครงสร้างของจิตใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของจิตใจกับสิ่งต่างๆกับส่วนต่างๆในแง่มุมต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อชีวิตของเราแล้วก็นํามาผูกเป็นเรื่องราวในทํานองบุคลาลที่สถานคือสมมุติเป็นตัวละคร มีเรื่องราวแต่ว่าใช้ถ้อยคำง่ายๆนะคะเพื่อที่จะให้เราซึ่งเป็นผู้อา่านรู้สึกสนุกในการที่จะติดตามแล้วก็เกิดความเข้าใจและปฏิบัติต่อจิตตะนาครดูแลจิตตะนาครให้ถูกตอ้องในคํานำของสำนักพิมพ์ธรรมดาซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ในครั้งล่าสุดบอกว่า พระนิพนธ์เรื่องนี้ถือเป็นวิธีอธิบายคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและทำความเข้าใจได้ยากให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนจึงนะับเป็นพระนิพนธ์ชัดเลิศและยังแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทั้งทางด้านปริยัติและการปฏิบัติภาวนารายการห้องสมุดหลังไมนะคะก็ขอน้องกล้าวน้อมกระหม่อม นำเรื่องจิตตะนครซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระยันสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในชีวิตเรานั่นก็คือจิตตะนครและก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะในการที่เราชาวไทยชาวพุทธ จะได้ร่วมน้อมระลึกถึงพระกรุณาที่คุณนะคะของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวไทยในการที่พระองค์ได้พระนิพนธ์เรื่องนี้เพื่อมุ่งสอนให้เราเข้าใจจิตใจของเราแล้วก็ก้าวพ้นไปจากความทุกข์วันนี้นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะ จิตตนครเป็นนครที่แลไม่เห็นด้วยตาน่าจะคล้ายกับเมืองรับแลแต่ก็ไม่ถึงกับลี้ลับจนติดต่อไม่ได้จิตตนครมีทางติดต่อกับโลกแห่งวัตถุได้มีการติดต่อกันอยู่เสมอไม่ต่างกับเมืองไทยที่ติดต่อกับเมืองต่างๆได้ทั่วโลกจิตตนครเป็นเมืองที่ไม่สงบนัก ต้องทำสงครามอยู่เสมอเพราะมีโจรผู้ร้ายค่าศึกศัตรูอันจำต้องป้องกันปราบปรามโดยไม่อาจประมาทได้คล้ายกับเมืองทั่วๆไปจิตนครเป็นนครหลวงของโลกเป็นแหล่งเกิดแห่งสุขทุกความเจริญความเสื่อมสมบัติวิบัติแห่งโลกทั้งสิ้น หากจะกล่าวว่าจิตตานครเป็นแหล่งเกิดแห่งนครสวรรค์นิพพานทุกอย่างก็น่าจะไม่เกินไปแต่จิตตานครเป็นนครหลวงลับแลมองไม่เห็นด้วยตาจิตตานครตั้งอยู่ในเมืองมนุษย์นี่เองแต่เป็นที่ซึ่งคนทั้งปวงไม่ค่อยสนใจจะไปเที่ยวดูชมคนทั้งปวง สนใจไปเที่ยวดูชมเมืองที่เห็นด้วยตาฟังได้ด้วยหูมากกว่าซึ่งแม้จะไกลสักเท่าไหร่ก็พยายามไปทั้งที่ในความเป็นจริงน่าจะพยายามไปดูจิตตะนครซึ่งเป็นนครหลวงอันแท้จริงของโลกหรือของทุกๆคนถึงแม้ว่าจะเป็นนครลับ แ, แล ที่ไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อก็อาจไปดูได้ด้วยตาใจจิตตะนครอยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้ที่สุดตั้งอยู่ในจิตของทุกคนเพียงทำความสงบดูจิตของตนก็จะเห็นจิตตะนครนบางๆ หากเปรียบจิตตะนครกับเมืองลับแลก็เห็นจะตรงกันที่ว่าเมืองลับแลนั้นคนที่เคยพลัดเข้าไปพบได้เห็นภูมิประเทศบ้านเรือนและผู้คนหญิงชายสวยงามน่าดูน่าชมกลับออกมาแล้วก็จาทางกลับไปอีกไม่ได้แต่ได้เที่ยวบอกเล่าใครๆถึงความสวยงามน่าดูน่าชมในเมืองลับแลนั้นและชี้บอกสถานที่ตั้งได้เพียงคร่าว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 ก็ย่อมจะยังไม่ได้ชมความงามอย่างวิจิตพิสดารของจิตตนครนจะได้พบแต่ความวุ่นวายฟุ้งซ่านของอารมณ์ยุ่งยุ่งทั้งหลายที่ไม่น่าดูไม่น่าชมแต่กลับน่าเบื่อหน่ายเสียด้วยซ้ำแต่จิตตนครนจริงๆนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นจิตตนครจริงๆมีความพิสดาร น, น่าดูน่าชมผู้เข้าถึงจิตตนคอนั้นแล้วย่อมกล่าวเช่นนี้ ย่อมชักชวนแนะนำให้ใครๆพยายามไปให้ถึงจิตตาครโดยไปตามทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งชี้บอกไว้แล้วด้วยวิธีที่ตรัสสอนไว้เช่นกันบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายด้วยความตั้งใจจริงนับไดว้ว่าได้เริ่มก้าวเข้าสู่ทางที่จะนำไปถึงจิตตนะครได้แล้ว แม้มีความตั้งใจจริงพยายามตลอดไปก็ย่อมจะเดินไปได้ถึงจุดหมายปลายทางจิตตนะครและได้เห็นความวิจิตพิสดารของนครนั้นด้วยตนเองลักษณะจิตตนะครจิตตนะครก็เช่นเดียวกับนครโบราณทั้งหลายมีป้อมประการมีประตูหกประตูมีถนนสี่แพร่ง มีนครสามีคือเจ้าเมืองเจ้าเมืองแห่งจิตตะนครสถิตยอยู่ตรงที่รวมของถนนสีแพร่งและมีนามว่าวิญญาณหรือจิตตะมีประชาชนชาติต่างๆไปมาหาสู่เมืองนี้มากพากันอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองนี้ก็มีมาพักอยู่ชั่วคราวก็มีมาเที่ยวทัศนาจรแล้วก็ไปก็มี เพราะประตูเมืองทั้ง6มักจะเปิดอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนจะปิดก็ต่อเมื่อเจ้าเมืองหลับเมื่อเจ้าเมืองยังไม่หลับก็เปิดประตูรับอยู่เสมอไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนเพียงไรถึงจะค่ำ ม, มืดก็จุดไฟสว่างสวยไม่ยอมแพ้ความมืดจิตตนครจึงเป็นเมืองที่พร้อมพรั่งด้วยผู้คนและสิ่งต่างๆหลายหลากมากประการ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 จะเหนื่อยแล้วก็พักก็นอนที่กลุ่มใจตายหรือที่กลุ่มเป็นบ้าไปก็มีอยู่ไม่น้อยเพราะจิตตนครมีสิ่งต่างๆพรั่งพร้อมประชาชนชาติต่างๆจึงพากันมาจากที่ต่างๆทั่วโลกแม้ว่าจิตตนครจะมีลักษณะเหมือนอย่างเมืองโบราณแต่ก็ไม่ได้เป็นเมืองโบราณที่ล้าสมัยเมืองในปัจจุบันนี้มีอะไร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 ตามที่พันณ า, ามาเป็นนครที่น่าเป็นสุขสนุกสบายซึ่งก็เป็นเช่นนั้นคือจิตตนครเป็นสุขสนุกสบายอยู่ไม่น้อยแต่จิตตนครก็เป็นเมืองที่มีทุกร้อนภัยพิบัติอยู่มากทั้งโดยเปิดเผยและโดยซ่อนเร้นอันเกิดจากภัยธรรมชาติก็มีเกิดจากภัยพลเมืองของจิตตนครก่อขึ้นเองก็มี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 ภัยแห like ่งจิตตะนครจิตตะนครก็เช่นเดียวกับนครทั้งหลายเป็นนครที่มีภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติแห่งจิตตะนครเกิดจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมดูก็คล้ายๆกับภัยธรรมชาติของโลกเช่นบางคราวดินถล่มบางคราวไฟไหม้ บางคราวลมพายุเกิดน้อยหรือมากเป็นคราวๆถ้าเป็นไปโดยปกติก็ไม่เป็นพัยทั้งกลับเป็นเครื่องเกื้อกูลชีวิตของสัตว์โลกทั้งมนุษย์และดิรชานเพราะสัตว์โลกทั้งหมดก็ต้องอาศัยธาตุทั้งสี่นี้เป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงร่างกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่เช่นเดียวกันต้องบริโภคอาหารเช่นข้าวน้ำต้องมีความอบอุ่น ต้องหายใจเอาอากาศเข้าไปบำรุงเลี้ยงร่างกายอยู่ทุกขณะชีวิตที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ก็ต้องอาศัยธาตุทั้งสี่บำรุงเลี้ยงให้ดำรงอยู่ภัยของจิตตะนครก็เกิดจากธาตุทั้งสี่เช่นเดียวกันดังได้กล่าวแล้วว่าจิตตะนครมีถนนสี่แพร่งมีนครสามีคือเจ้าเมืองที่สถิตอยู่ตรงที่รวมของถนนสี่แพร่ง ท่านผู้รู้ได้กล่าวบอกไว้ว่าถนนสี่แพร่งนั้นก็คือธาตุดินน้ำไฟลมเจ้าเมืองคือจิตสถิตยอยู่ตรงที่รวมของธาตุทั้งสี่นี้เองฉะนั้นเมื่อธาตุทั้งสี่ยังรวมกันอยู่เป็นปกติที่อยู่ของเจ้าเมืองก็เป็นปกติถ้าธาตุทั้งสี่เกิดผิดปกติเช่นมีจํานวนลดน้อยลงไปกว่าอัตราที่ควรมีหรือธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยหรือมากเกินไป จิตตานครก็ระสำมระสายไม่เป็นสุขทั้งเจ้าเมืองและพลเมืองทั้งปวงก็อยู่ไม่เป็นสุขเหตุที่ทําให้ธาตุทั้งสี่แปรปลวนนั้นบางทีก็เกิดจากเจ้าเมืองและพลเมืองทําขึ้นเองเช่นพากันรื่นเริงสนุกสนานเกินไปไม่คอยดูแลทํานุกบารุงทางสี่แพร่งหรือธาตุท <siz ful cend ans> ั้งสี่เอาไว้ให้ดีก็คล้าย เหมือนอย่างถนนหนทางในบ้านเมืองของเราถ้าไม่มันทนุบำรุงซ่อมแซมก็จะเสียหายไปโดยลำดับบางทีเกิดจากธรรมชาติเช่นบางคราวลมกำเริบทำให้จิตตะนคร์วันไหวบางคราวไฟกำเริบทำให้ร้อนบุมคล้ายกับเกิดลมพายุเกิดไฟไหม้เจ้าเมืองและพลเมืองทั้งปวงก็หมดผาสุก ไผ่เช่นนี้ชาวจิตตานครเรียกกันว่าไผ่ยพยาธิอีกอย่างหนึ่งเรียกกันว่าไผ่ชราถนนสีแพร่งนั้นเก่าแก่ลงไปทุกวันแสดงความชำรุดสุดโซมให้เห็นอยู่เรื่อยๆทั้งเจ้าเมืองและพลเมืองต่างก็พากาันแก้ไขซ่อมแซมอย่างสุดฝีมือ บางทีก็ใช้ตัดต่อตบแต่งบางทีก็ใช้สีทาให้แดงบ้างให้ดำบ้างให้ขาวบ้างเป็นต้นสุดแต่จะเห็นว่าควรจะตบแต่งอย่างไรต่อสู้กับภัยชาราที่มาเกิดขึ้นแก่จิตตนณครก็พอแก้ไขปะทะปะทางไปได้แต่ถนนสีแพร่งนี้ก็สุดชำรุดลงอยู่เรื่อยๆเจ้าเมืองเองที่ดำรงชีวิตอยู่ตรงที่รวมของถนนก็เริ่มอ่อนเพลียเมื่อยล้า ไม่ว่องไวกระชับกระเชงเหมือนแต่ก่อนยังมีอีกภัยหนึ่งที่ชาวจิตตานครกลัวกันนักกันหนานั่นก็คือภัยมรณะภัยนี้จะทำลายถนนสี่แพร่งของจิตตานครทำลายเมืองทั้งเมืองเลยทีเดียว ชาวจิตตนครต่างก็รู้ว่าภัยนี้จะต้องมาถึงในวันหนึ่งข้างหน้าแต่ก็มักจะพากันนอนใจเหมือนอย่างไม่มีภัยจิตตนครมีถนนสายสำคัญสี่สายที่มาบรรจบกันแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งเมืองจะมีถนนอยู่เพียงสี่สายเท่านั้น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 ก็เฉลี่ยอาหารไปเลี้ยงกันทั่วทั้งเมืองเท่าๆกันมีมากก็กินมากมีน้อยก็กินน้อยเท่าๆกันไม่มีก็อดเหมือนกันทั้งเมืองพลเมืองทั้งหมดไม่มีใครกินน้อยหรือมากกว่ากันไม่มีใครกินดีหรือเลวต่างกันต่างกินเหมือนๆกันทั้งหมดนี่เป็นประบบการเลี้ยงพลเมืองของจิตตะนครในช่วงหน้านะคะมาฟังเรื่องของ พังเมืองแห่งจิตตานครกันตอกับระบบการถ่ายของเสียออกไปห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่1จิตตานครค่ะพระนิพนธ์ของสมเด็จพระยาณสองวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะ นำมาเล่าให้คุณได้ฟังต้องขอบอกว่านำมาเล่าแล้วก็พาคุณฟังเนี่ยไปทัศนาจรจิตตะนครจากพนิพนธ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชผลงานอันทรงคุณค่าที่จะทําให้เราได้รู้จักกับจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเราเป็นที่มาเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความทุกข์ทั้งปวง ไปทัศนาจรจิตตะนครด้วยความเข้าใจและสนุกสนานด้วยค่ะและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ได้มอบผลงานนิพนธ์อันทรงคุณค่าให้กับชาวไทยเอาไว้ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาและเป็นไปของใจเราเอง ดิฉันจะพยายามถ่ายทอดเนื้อหาสาระสําคัญของจิตตนครแล้วก็จะพยายามทําตัวเป็นมักคุเทศที่ดีนะคะพาคุณไปเที่ยวทุกซอกทุกมุมตามที่เจ้าประกุลสมเด็จพระสังฆราชท่านได้ส่งพระนิพนธ์ไว้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะอ่านโดยละเอียดทุกถ้อยคำตัวอักษรก็สามารถที่จะไปถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะหรือว่าถามหาได้ที่สํานักพิมพ์ธรรมดาค่ะ หรือที่ส่วนโมกกรุงเทพนะคะหอจดหมายเหตุพุทธทาสที่นั่นมีจำหน่ายค่ะถูกมากนะคะราคาเล่มละ165บ้าททาั้งๆที่มีความหนา334นะ้าี่หน้าดิฉันจะย่อแล้วก็ดึงเอาเฉพาะบางส่วนที่สำคัญนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ยาวจนเกินไปก็เรียกว่าประมาณ 70% ละค่ะ แล้วก็เพื่อจุดประกายเผื่อว่าคุณผู้ฟังสนใจจะไปหาอ่านเองพร้อมหรื อ, อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะกับการทัศนาจรเรียนรู้จิตตานครร่วมกันคะ่ะระบบการถ่ายของเสียออกไปก็จัดได้อย่างดีอีกเช่นเดียวกันจิตตนครมีที่เก็บของเสียมีที่เก็บน้ำทิ้ง มีท่อระบายออกทั้งของเสียและน้ำทิ้งแล้วก็มีท่อระบายเล็กๆอีกนับไม่ถ้วนทั่วทั้งเมืองน่าสังเกตว่าเมืองนี้ใช้ท่อเป็นสิ่งสำคัญทั้งเมืองมีท่อฝังอยู่ทั่วไปทั้งใหญ่และเล็กดูน่าพิศวงที่สามารถจัดระบบท่อได้ถึงเช่นนั้นนอกจากนี้ยังมีโรงงานต่างๆอีกมากมายเช่นโรงงานปับภาสต์อด โรงงานหัยะหัวใจโรงงานวักะไตโรงงานยากระนะตัดโรงงานปีหักะม้ามเป็นต้นซึ่งต่างก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ไม่มีหยุดด้วยเครื่องจักรพิเศษเพื่อการดํารงอยู่แห่งจิตตะนครอดโรงงานเหล่านี้สามารถทำงานได้ทนทานที่สุดเพราะทำไม่มีเวลาหยุดต่างจากโรงงานอื่นๆทั่วไปซึ่งยังต้องมีเวลาหยุดพัก แล้วว่าถึงขนาดของโรงงานในจิตตะนครแต่ละโรงก็เล็กแต่สามารถทำงานได้ผลดีมากอย่างที่ใครๆที่ไปเห็นก็คิดไม่ถึงว่าทำไมถึงทำงานได้ดีถึงเพียงนี้แต่ในบรรดาสิ่งประณีตพิสดารต่างๆแห่งจิตตะนครนั้นนครสามีหรือเจ้าเมืองเป็นความสำคัญที่สุดไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่า และเจ้าเมืองแห่งจิตตานะครก็คือจิตนี้เองหรือใจนี้เองใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจการกระทําใดๆก็ตามคำพูดใดๆก็ตามจะดีหรือจะช่วจะเป็นการส่งเสริมหรือเป็นการทำลายจิตตานะครก็ย่อมเนื่องมาจากนครสามีหรือจิตหรือใจนั่นแหละเป็นสำคัญถ้านครสามีดี หรือถ้าใจดีการพูดการทําอันเกิดจากนครสามีหรือใจนั้นก็ย่อมดีย่อมเป็นการส่งเสริมจิตตนครแต่ถ้านครสามีไม่ดีคือถ้าใจไม่ดีการพูดการทําอันเกิดจากนครสามีหรือใจนั้นก็ย่อมไม่ดีย่อมเป็นการทําลายจิตตะนะครระบบสื่อสารแห่งจิตตนะครจิตตนะครมีระบบสื่อสาร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 การสื่อสารในจิตตานะครก็น่าจะไม่ล้าสมัยกว่าในโลกดังกล่าวและมีระบบอย่างที่วิเศษพิสดารกว่าอย่างที่โลกจะเอาอย่างไม่ได้จิตตาครมีระบบการสื่อสารแบ่งออกเป็นสองชั้นคือชั้นนอกและชั้นในชั้นนอกมีระบบตาเมืองทำหน้าที่เป็นดวงตาสำหรับดูสิ่งต่างๆคล้ายเป็นเครื่องโทรทัศน์ มีระบบหูเมืองสำหรับฟังเสียงต่างมีระบบจมูกเมืองมีหน้าที่สำหรับดมกลิ่นต่างมีระบบลิ้นเมืองสำหรับลิ้มรสต่างๆมีระบบกายเมืองสำหรับรับสิ่งต่างๆที่มาถูกต้องระบบต่างๆเหล่านี้แยกออกจากกันเป็น5ส่วนมีสายที่ละเอียดยิบมากมายโยงจากชั้นนอกของเมืองเข้าไปสู่ระบบชั้นใน ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสื่อสารทั้งหมดคล้ายกับสายโทรเลขโทรศัพท์แต่ละเอียดพิสดารกว่ามากนักอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ส่วนระบบชั้นในอันเป็นจุดรวมนี้เรียกว่าระบบใจเมืองหรือสมองเมืองมีหัวหน้าควบคุมอยู่ที่ระบบศูนย์กลางชื่อว่าโมโนในสมัยปัจจุบันพวกแพทย์มักเรียกกันว่าสมอง เป็นหัวหน้าควบคุมระบบสื่อสารแห่งจิตตนครทั้งหมดและมีหัวหน้าควบคุมระบบสื่อสารภายนอกทั้งห้าเรียกว่าประสาสหรือประาศาสประสาส ท, ทั้งห้าแต่ละคนมีชื่อเฉพาะตามชื่อของระบบงานดังนี้คนที่หนึ่งชื่อจักขุประสาสเป็นหัวหน้าระบบตาเมืองคนที่สองชื่อโสตประสาสเป็นหัวหน้าระบบหูเมืองคนที่สชื่อคา น, นะประสาส เป็นหัวหน้าระบบจมูกเมืองคนที่สชื่อชิวหาประศาสตเป็นหัวหน้าระบบลิ้นเมืองคนที่หชื่อกายะประศาสตเป็นหัวหน้าระบบกายเมืองประสาสทาั้งหนี้เป็นหัวหน้าเฉพาะระบบของตนไม่ก้าวไายกันคนไหนได้รับข่าวสารอะไรก็จะรีบรายงานไปยังหัวหน้าใหญ่คือมโนที่จุดศูนย์กลางอันเป็นจุดรวมทันที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 ได้รับการติดต่อรู้ข่าวสารเรื่องราวต่างๆมากเพียงใดเจ้าเมืองก็ยิ่งจะได้รับความทุกข์ลำบากวุ่นวายเพียงนั้นนอกเสจากว่าเจ้าเมืองคือจิตจะมีสติปัญญารู้เท่าทันพอสมควรว่าข่าวสารเหล่านั้นสักแต่เป็นเรื่องชั้นนอกถ้ารับเข้าไปเก็บไว้ผิดที่คือรับเข้าไปเก็บไว้ชั้นในคือจิตก็ยอมจะทาให้หนักให้แน่นไปหมด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 เมื่อมโนไม่ว่างที่จะรับเช่นนั้นข่าวสารเหล่านั้นก็เข้าไม่ถึงเจ้าเมืองจนกว่ามโนจะว่างและรับข่าวสารเหล่านั้นเจ้าเมืองจึงจะได้ทราบข่าวสารใหม่ๆต่างๆต่อไปตามปกติมโนซึ่งเป็นหัวหน้าแห่งระบบสื่อสารทั้งหมดจึงขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองแต่ผู้เดียวนอกจากเป็นหัวหน้ารับสื่อสารจากระบบสื่อสารชั้นนอกทั้ง5แล้วยังเป็นเหมือนเล ข, ขานุ ก, การของเจ้าเมือง มีหน้าที่รวบรวมข่าวสารที่ได้รับมาแล้วทุกอย่างเก็บเข้าแฟ้มไว้สำหรับเจ้าเมืองเรียกหาและเจ้าเมืองก็มาเรียกหาอยู่เสมอมโนก็ต้องเป็นผู้เสนอเรื่องบางคราวเจ้าเมืองตรวจตราเรื่องราวต่างๆอยู่นานเป็นเหตุให้มโนไม่ว่างและไม่อาจรับข่าวสารจากภายนอกอยู่นานแต่ข่าวสารบางอย่างที่ส่งเข้ามาอาจแรงอาจทาให้เจ้าเมืองต้องชะงักการตรวจตราเรื่องเก่าๆก็มี เ, เสียงดังที่ระบบหูเมืองรับเข้ามาคลื่นของเสียงเช่นนี้แรงมากทำให้กระทบกระเทือนถึงกับเจ้าเมืองต้องชะงักปล่อยมโนให้ว่างมาโนจึงรับข่าวสารของเสียงนั้นรายงานแก่เจ้าเมืองได้บางคราวก็รายงานด้วยว่าจำเป็นต้องทำให้เสียงดังเพื่อให้ถึงเจ้าเมืองคล้ายกับร้องเรียกปลุกคนหลับเรียกเบาๆไม่ตื่นก็ต้องเรียกดัง ในขณะที่เจ้าเมืองตรวจตราเรื่องต่างๆเพลินอยู่เช่นเดียวกันเจ้าเมืองจะไม่เห็นจะไม่ได้ยินอะไรเพราะมโนไม่ว่างที่จะรับเข้ามารายงานให้ทราบจึงต้องใช้กระแสคลื่นอย่างแรงเข้ามาเตือนให้หยุดคิดอะไรเพลินๆเสียและรับข่าวสารปัจจุบันสักทีมโนเป็นผู้ทำงานมากกว่าหัวหน้าระบบสื่อสารภายนอกทั้ง5แมในขณะที่ชาวจิตตนครนอนหลับประสาททั้ง5พักหลับกันหมดแต่มโนก็ยังไม่หลับ เพราะเจ้าเมืองอยังไม่ยอมหลับยังเรียกหามโนมารายงานเรื่องราวต่างๆกันอีกโดยเฉพาะดังที่เรียกกันในภาษาจิตตะนครว่าฝันเจ้าเมืองชอบฝันอยู่กับมโนเสมอมโนจึงมีเวลาพักจริงๆวันหนึ่งไม่นานนักเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจจะขอเปรียบเจ้าเมืองที่รับข่าวสารจากมโนไปสะสมไว้มากมายไม่หยุดยัง้ง กับแปรงทาสีที่มีอยู่อันเดียวจะใช้จุ่มลงไปในสีต่างๆกันสีนั้นบ้างสีนี้บ้างโดยไม่มีเวลาหยุดเอาแปรงแช่น้ำล้างสีออกเสียบ้างเลยผลจะเป็นอย่างไรย่อมนึกได้ถึงแปรงทาสีอันนั้นว่าคงจะต้องสกปรกเลอะเทอะและใช้งานไม่ได้ผลดีจริงคือทาสีแดงก็จะไม่แดงแท้จะมีสีอื่นปนอยู่ด้วย าสีเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองไปไม่ได้เพราะจะมีสีอื่นปนด้วยทาสีอะไรก็จะไม่เป็นสีนั้นจริงๆทั้งสิ้นโดยเหตุนี้เมื่อจะใช้แปรงอันเดียวกันทาหลายสีจึงต้องมีน้ำมันเอาไว้แช่แปรงให้สีออกเป็นพักๆไปจะได้ทาสีอื่นให้เป็นสีนั้นแท้ๆไม่มีสีที่ทาไว้ก่อนปนเปทํทำให้ไม่เป็นสีที่ต้องการเจ้าเมืองแห่งจิตตานคร หรือจิตของเราทุกคนนี้ก็เช่นกันหากให้รับเรื่องราวจากทวารทั้งห้าที่ผ่านมโนเข้ามาถึงอยู่เรื่อยๆไม่มีเวลาให้เจ้าเมืองได้คลี่คลายเรื่องแต่ละเรื่องออกเสียให้พ้นเหมือนว่าเอาแปรงทาสีลงแช่น้ํามันเจ้าเมืองก็จะสกปรกเลอะเทอะไม่ผิดกับแปรงที่ทาสีแล้วไม่ได้แช่น้ํามันนั้นแต่เปลี่ยนสีทาอยู่มากมายหลายสีอันเรื่องทั้งหลายที่เข้าสู่จิต ย่อมก่อให้เกิดอารมณ์หรือกิเลสเป็นธรรมดาจิตรับเรื่องไวมากเพียงไรอารมณ์หรือกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตก็จะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเพียงนั้นทําให้จิตสกปรกเศร้าหมองยิ่งขึ้นเพียงนั้นบรรดาผู้มาบริหารจิตคือผู้กําลังพยายามปฏิบัติต่อจิตของตนเหมือนช่างทาสีปฏิบัติต่อแปลงสําหรับทาสี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 หรือเจ้าเมืองแห่งจิตตะนคร น, นั่นเองจะรู้ด้วยตนเองจิตที่มีอารมณ์หรือมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองน้อยย่อมเป็นจิตที่ผ่องใสมีความสุขมากส่วนจิตที่มีอารมณ์หรือมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองมากย่อมเป็นจิตที่มนหมองมีความสุขน้อยเจ้าเมืองแห่งจิตตะนครทุกคนย่อมรู้จักตัวของตัวเองได้ดังนี้ในตอนหน้าค่ะ เราจะไปรู้จักชื่อเจ้าเมืองแห่งจิตตะนครนะคะไปรู้จักกับลักษณะเจ้าเมืองเพื่อนของเจ้าเมืองรวมไปถึงลักษณะของเพื่อนเจ้าเมืองว่าเป็นอย่างไรนี่คือตอนแรกของการทัศนาจรเรียนรู้จิตตะนครนครสำคัญที่สุดในชีวิตของเราประนิพนธ์ของสมเด็จพระยา น, นสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปริณายก ห้องสมุดหลังไมโดยรัสมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลือง